ทัการค่ะหลวงตาจะขอความเมตตาหลวงตาช่วยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการพิจารณากายอย่างละเอียดในเรื่องของการพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุการพิจารณาร่างกายเห็นเป็นอาการสามการพิจารณาร่างกายเห็นเป็นอสุภกรรมฐานและการพิจารณาร่างกายเห็นเป็นโมลานุสติว่าแต่และอย่างมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรอะค่ะคือเรียกว่าการพิจารณาร่างกาย ให้เห็นเป็นธาตุให้เห็นเป็นอาการสาริสสองให้เห็นเป็นอสุภะกรรมฐานเอสุภะให้เห็นเป็นมรณานัสติทั้งหมดวัตถุประสงค์ก็เพื่อว่าให้สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนว่าเราเน่มีตัวตนคงที่แน่นอน หลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราเป็นตัวมั่นคงเป็นแกนสารสาระคือพิจณาแง่มุมยังไงก็ได้เพื่อให้ทิ้งความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราและหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของคนอื่นให้เป็นทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เช่นยึดหัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดพ่อแม่พี่น้องยึดเพื่อนฝูงยึดญาติคือยึดจะเป็นทุกข์อะยึดตัวเราด้วยและยึดคนอื่นด้วย ที่พิจารให้พินัยร่างกายเพื่อให้สิ้นยึดในหลักสำคัญนั่นคือหัวใจอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่นายสิ้นยึดพี่นายเห็นเป็นธาตุว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่เป็นแก่นสารสาระอย่างมั่นคงที่แท้จริงก็พี่ไหนเห็นว่าเป็นธาตุพี่ไหนเห็นเป็นธาตุเพื่อให้สิ้นความคิดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราโดยการน้อมพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุก็เลยนี่พี่เราถามว่า การนอพินาเห็นเป็นธาตุจะน้อพินัยยังไงก็นอพินาตั้งแต่เราเกิดมาเกิดมายัางไงมันแรกเริ่มเดิมทีเกิดมาตั้งแต่ธาตุธาตุดินก็คือสเปิร์มของพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่สเปิร์มของพ่อก็เข้ามาผสมพันธุ์ผสมกับไข่ของแม่ที่เป็นธาตุน้ําตัวตนนันเราจะไม่มีเลยตอนนั้นนะ่ะยังไม่มีรูปร่างอะไรเลยยังไม่มีรูปร่างเป็นตัวโตขนาดนี้เลย ก็เริ่มมาตรงแค่สเปิร์มในร่างกายเรายังไม่มีตัวเราอยู่เลยมีส่วนใดเป็นตัวเราอยู่เลยร่างกายเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ันตั้งแต่สเปิร์มของพ่อเป็นธาตุดินไหวมาเข้ามาผสมกับไข่ของแม่เป็นธาตุน้ําเป็นดินกับน้ําผสมกันตั้งแต่นั้นน่ะเริ่มแรกเนี่ยเป็นดินกับน้ําตัวตนของเราจริงๆยังไม่มีเลยเป็นธาตุดินกับน้ํำพอผสมกันเสร็จแม่ก็กินเอาสรางพืชสรางสัตว์ กินเอาศาสพืชศาสตร์ซึเป็นธาตุดินเติมเข้าไปในร่างกายศาสพืชศาสัตว์ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ํากินน้ํำเราก็กินน้ำเวลาหลายขวดเนี่ยพวกเราแต่ละคนกินน้ำเวลาหลายขวดเป็นธาตุน้ําเราพี่ไหนดีว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําตามธรรมชาติธาตุลมธาตุไฟแม่ก็กินเอาธาตุดินศาสพืชศาสัตว์เข้าไปเราเลี้ยง ในร่างกายมันก็เข้าไปหล่อเลี้ยงหยดเลือดที่ผสมกันแล้วของพ่อกับของแม่แล้วก็กินน้ํากินลมกินลมหายใจเขา้าเนี่ยกินลมหายใจกินก๊าซออกซิเจนเข้าไปแล้วก็กิ น, ไ ฟ, นไฟคือความร้อนไฟคือความร้อนความกบุ่นเนี่ยเอาเข้าไปดินน้ํามลมไฟก็เข้าไปผสมกันจนกระทั่งไอหยดเลือดเนี่ยมันก็โตขึ้นพองขึ้นพองขึ้นค่อยๆโตขึ้นพองขึ้ น, นพองขึ้นเรื่อย ة, ๆจนกระทั่ง ก้อนเลือดเนี่ยมันโตขึ้นพอสมควรเช่นว่าร่างกายเนี่ยมันก็มาจากการผสมของธาตุดินของพ่อธาตุน้ําของแม่แล้วก็สาปือสาปสัตว์กินน้ําเติมเข้าไปธาตุดินเป็นของใช้สิ้นเปลืองต้องเติมทุกวันเนี่ยมาเช้าก็กินมาเนี่ยเช้าก็กินมาหลายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นของใช้สิ้นเปลืองก็ต้องกินไปเติมตลอดจนกระทั่งก็เลือดโตพอสมควรแล้ววิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ก็เข้ามาผสม รวมแล้วร่างกายจิตใจประกอบไปด้วยธาตุดินธาต้น้ำธาต์ลมธาต์ไฟถ้ารวมอากาศด้วยเป็นกอมว่างด้วยในร่างกายรวมอากาศด้วยก็มีอากาศธาตุแล้วก็เป็นวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ก็วิญญาณแปลว่ารู้นะวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีวิญญาณแปลว่ารู้ธาตุรู้ก็มารวมกันหาธาต์ถ้ารวมอากาศด้วยก็เป็นหกธาต์ร่างกายมันก็ต้องโตขึ้นโตขึ้นพองขึ้นก็เพราะว่าไอ้ธาตุห้าธาต์เนี่ย ยกเว้นอันเดียวคือธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันไม่เป็นของใช้สิ้นเปลืองเพราะว่าธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับถึงไม่มีการสูญเสียพลังงานมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลแต่มีคุณสมบัติคือมีความรู้มันไม่มีการเกิดดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ธาตุดินน้ำลมไฟมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเสื่อมตลอดเวลาในร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะต้องกินเนี่ยกิน ธาตุพืชธาตุศตว์เป็นธาตุดินธาตุน้ำแล้กินน้ำกินลมกินไฟตลอดเวลากินวันละเนี่ยคารว่าสก็กินวันละสี่มื้อสามื้อสี่มื้อบางคนก็กินมากกว่านั้นอีกกินเติมธาต์ก็ไปต้องเติมธาต์ไม่เติมธาต์ก็ตายไม่เติมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปก็ต้องตายก็ต้องเติมไปเรื่อยๆร่างกายมันก็เลยคลอดออกมาแล้วก็ต้องเติมก็เติมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเติมเข้าไปสู่ร่างกายอยู่เป็นประจำ ก็เของใช้สิ้นเปลืองเมื่อไหร่ที่ไม่สามารถเติมได้ก็ตายธาตุก็ต้องแตกธาตแตกร่างกายก็ต้องแตกออกเรียกว่าธาตุแตกขันดับขันห้าคือรูปปัญญาทยาาสตร์วิยารวิทยานก็ดับตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังกินอีกนะกินดินกินสาพืชสาสากินดินกินน้ำกินลงกินไฟแล้วก็น้อมพิจารณาไปว่าที่สุด ก, ก็แก่เหี่ยวย่นมังเจ็บป่วยทุกทรมานเดียวถ้าไปที่ไอซีูไปจบที่ไอซูแล้วก็ เจ็บปวดทุกทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายตายแล้วร่างกายก็เอาไปฝากไว้ห้องดับจิตส่วนใหญ่ก็ไปฝากไว้ห้องดับจิตเพอออกมาจากห้องดับจิตตอนเช้าวันรุ่งขึ้นธาตุไฟมันก็ออกไปแล้วความร้อนในร่างกายอุ่นไปหายไปแล้วธาตุลมไม่ใจก็หายไปแล้วธาตุไฟก็ดับไปแล้วธาตุลูหรือวิญญาณธาตุก็ดับไปแล้วหรือธาตุดินกับธาตุน้ําตัวเย็นชืดไม่มีสีเลือดตายแล้ว เขาก็มาลดน้ําให้รดน้ําศพเอาผ้าขาวมาคุมไว้แต่เป็นผ้าข า, ผ, าผ้าเหลืองมาคุมไว้แบมือให้ลดน้ําศพน้ําหยดเดียวก็อาไปไม่ได้ตอนมีชีวิตอยู่ก็กอบโกยลโโรถมอเตอรจะซค์แตายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้แล้วก็พอเก็บศพสวดศพไว้ประมาณเจ็ดวันเขาก็จะเปิดโรงให้คนทั้งหลายมาดูในโรงถึงเป็นญาติพี่น้องมาดูหน้าเป็นครั้งสุดท้าย ก็ไม่เคยกล้าขึ้นไปไปดูหรอกเพราะว่าศพแต่ละศพหมดเก็บไว้เจ็ดวันก็เริ่มเกียวเริ่มเน่าเริ่มเน่าแก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าสุดท้ายก็กลับเป็นขี้เถ้าทุลีเป็นดินหมดเลยเป็นดินหมดถ้าไปกระดูกแล้วเป็นขี้เถ้ากระดูกก็ไปลอยังขาดไปลอยน้ํำไปเห็นว่ามาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ํากลับคืนสู่น้ำขี้เถ้ากระดูกก็เป็นกระดูกที่นใหญ่ก็เอาไปกองรวมกับพื้นน้ําพื้นทรายแล้วก็กระดูดเอาทรายไปถมบ้านถมดินถมถนน แล้วก็ไปลอยน้ําพื่เห็นว่ามาจากน้ํากับขึ้นสู่น้ํามาจากลมกับขื้นสู่ลมมาจากไฟกับขื้นสู่ไฟมาจากความว่างเปล่ากับขื้นความว่างเปล่ามาจากความว่างเปล่าจากตัวตนที่มีรูปร่างขึ้นมาหน้าตาขึ้นมามีความเป็นอยู่ในขณะเนี้เสร็จแล้วก็สิ้นความเป็นตัวตนรูปร่างหน้าตาสิ้นสมมุติสิ้นชื่อสิ้นนามสกุลสิ้นสิ่งที่เกี่ยวพันกันทั้งหมดก็ดับไปค th. <te lect ional> ื้นสู่ความว่าง มาจากความว่างก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่ามาจากความว่างแล้วก็มีเป็นพลังงานคือมีมีเวทน า, ส, าสัญญาสังขารวิญญาณในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีร่างกายมีสสารขึ้นมาก็คือมาจากความว่างแล้วก็เป็นพลังงานจากพลังงานก็เป็นสสารแล้วก็สุดท้ายก็สสารก็แตกดับกลับไปเป็นธาตุพลังงานก็ดับหมดแล้วกลับคืนไปสู่ความว่าง น, นี่เนี่ยคือที่นานน้อมเรื ley, ่องเข้าใจเหตุที่เป็นมาแล้วก็เป็นไปในปัจจุบันทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคต เป็นธานตุาาาต้องเติมธาตุเวลาจะฉันข้าวตอนเช้าจึงต้องให้พิจารณาเห็นว่าเป็นธาตุที่กินเข้าไปเนี่ยที่ผสมเนี่ยเป็นเพียงธาตุเป็นเพียงธาตุที่มาผสมต้องกินน้ํากินอาหารน่ยตอนเช้าให้พิจารณาที่อุณหกูมิจะฉันข้าวก็ต้องพิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นของสกปรกเป็นเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมตัดไปเป็นธาตุที่ต้องเติมธาตุธาตุเติมธาตุพรอเป็นของใช้สิ้นเปลือก็ต้องเติมไปอยู่เรื่อยๆไม่เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นแต่ธาตุ ที่ผสมกันหาตัวตนไม่มีเวลาแยกขาดออกทั้งหมดแล้วก็เหลือแต่ความว่างเปล่าไม่มีตัวตนเพราเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจิตมันก็สิ้นหลงความยึดบ้านถือบ้านว่าร่างกายเนี้ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันก็สิ้นหลงยึดบ้านว่าร่างกายของคนอื่นเป็นของของเราเพราะตัวเราก็ยังไม่มีเลยของคนอื่นก็ไม่มีใจมันก็จะสิ้นความยึดบ้านถือมัน่นกับรูปมากผลที่ผ่านได้แต่เห็นเป็นทานหรือเป็นงันพี่ น, นาพี่นาไปมันก็ มันก็เห็นเป็นอาการสามสิบสองก็มีแยกถอดร่างกายมาว่าเห็นว่าร่างกายนี่ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นคนอื่นสิ่งอื่นท่านก็ให้แยกร่างกายของเราออกมาเป็นอาการสามสิบสองนี่คือข้อสองแยกเห็นเป็นอาการสามสิบสองแยกออกให้เห็นว่ามันเป็นแต่เนี่ยชิ้นส่วนย่อยเวลาแยกออกมาแล้วมัญหาตัวตนไม่มีไม่มีตัวไม่มีตน เมื่อแยกเป็นส่วนย่อยออกมาแล้วเนี่ยแยกผมขนเล็บปันหนังเลือเอ็นกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่ม้ามตับปอดหัวใจสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุดินแล้วก็โยนทิ้งมันออกไปโยนทิ้งออกไปออกไปสิ่งไหนเป็นของแข็งธาตุดินโยนทิ้งออกจากล่างไปก่อนเมื่อสิ่งไหนมันออกจากล่างแล้วก็ต้องให้มีความรู้สึกว่ามันมันก็จะเน่าไปหมดแหละทุกทุกอย่างเน่ากลายไปเป็นดินหมดต่อไปก็น้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําปัสสาวะน้ำไขมันข้น น้ำเงือก็เป็นธาตุน้ําจากที่เรากินน้ำเข้าไปนี่แหละเป็นดินเป็นน้ําแยกเป็นส่วนย่อยเป็นลมเป็นไฟอันนี้แยกเป็นอาการ32ก็ผมคนเล็กฝนังเองกระดูกตับไตไตน้อนเสียน้ําตาปอดหัวใจอันนียเราก็แยกออกเป็นธาตุน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ำปัสสาวะน้ําไขมันข้นแล้วก็ยังมีเยื่อในสมองในกระโหลกศีรษะอีกแยกไปนี้เป็นอาการ32แยกร่างกายออกเหมือนกับ แยกอะไหล่รถเสียงโกงที่เขาสั่งรถเือรสองจากต่างประเทศเขามาขายในประเทศไทยเขาจะแยกอะไหล่ออกเป็นทุกชิ้นส่วนนะไม่แต่น็อตตัวเดียวเขาก็แยกออกแยกออกขายแยกร่างกายออกไอ้ส่วนไหนที่มันแยกได้แยกออกหมดเลยแยกออกแยกออกแยกออกแยกออกให้เป็นอาการ32เป็น32ชิ้นแยกกันแจกกระจายจนหาตัวตนไม่เจอซ้ำๆเข้ามันก็จะสิ้นความหลงยึดบั่นถือบ้านว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา ถ้ายังไม่ทิ้งยึดบ้าถือบ้านบางแง่มุมก็ให้น้อมพิจารณาว่าร่างกายเราที่เราหลงรักเขามากหลงรักอวงตัวเรามากเราก็มาเปรียบเทียบกับในร่างกายของคนที่เราเรารักลุ่มหลงเขามากแล้วก็มาเปรียบกับเราเหมือนที่มีพระองค์หนึ่งอ่ะท่านคิดถึงแฟนมากแล้วมาบวชกับหลวงพ่อชาสุภัทโทเป็นพระฝรั่งคิดถึงแฟนที่อยู่เมืองนอกมาก หลวงพ่อชาท่านเดินบิฏบาตรอยู่หน้าท่าลูวราจิตกะหานมาบอกว่าคิดถึงเขามากก็ไม่เป็นไรให้เขียนจดหมายไปหาเขาก็าส่งอุจล่าของเขามาให้ดมมันจะได้หายคิดถึงพอดมอุจล่าเขาบ่อยๆทุกวันทุกวันจะได้หายคิดถึงเขาและแหน่ให้พีรณาเป็นอสสุภากรรมาฐานไงงั้นเนี่ยมีพระองค์หนึ่งอ่ะหลวงปู่องค์หนึ่งที่มีชื่อเสียโด่งดัง เป็นผ้าหลานสมัยนี้สมัยก่อนนะกแอบรักสาวสาวก็เดินผ่านบ้านทุกวันแต่คนเมืนนอกสมัยก่อนนั้ไม่มีซ่วมหรอกก็เดินผ่านบ้านแล้วก็ไปไปถ่ายอุจจาระในกลางทุ่งหนุ่มในป่าแอบถ่ายในป่าเจอบไปอันหนึ่งไปขุดหลุมแล้วก็แอบแอบถ่ายไว้เป็นสาวเป็นสาวเดินผ่านบ้านรักเขารักเข้ า, าบ้านแอบลงรักเข้ามากท่าก็เดินแอบเดินตามไปพอพอเขาถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วก็ไปดม ไปดูแล้วไปดมอุจจระของเขาว่าหลงรักเขามากเลยเป็นยังไงสุดท้ายอ่ะท่านก็รักเขาไม่ลงนียก็นึกน้อมอย่างเงี้ยอสุภาษกรรมมาถามก็ไม่น่าไม่ยากสิ่งแล้วที่ออกมาจากร่างกายเนี่ยเรียกว่าผืนหนังหุ้มร่างกายแผ่นเดียวเ น, นี่ยแผ่นหนังนะหนังทั้งแผ่นเนี่ยหนังที่มันหุ้มเนี่ยหนังเนื้อเนี่ยมันหุ้มร่างกายเราไว้แผ่นเดียวข้างล่างเนี่ยหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวเขาเรียกหนังหุ้มขี้แผ่นเดียว หนังเนี่ยที่หุ้มร่างกายเราเจาะรูออกมาไม่ว่าจะเป็นรูอะไรมีขี้ไหลออกมาเหมืนทั้งหมดตะกบต ก, กทั้งหมดข้างในเราเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนถุงหนังเหมือนถุงหนังที่มันห่อขี้ไว้หุ้มขี้ไว้แต่เรามองจากข้างนอกคือถุงหนังเนี่ยมันแต่งกะสดสวยแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วปะแป้งผมน้ำหอมเนี่ยแต่มันก็เหมือนกับผมสศพอะลงศพผู้พิจารณาเห็นความจริงก็เห็นแบบว่าเหมือนกับศพที่มันตายเน่า เขาจัดงานศพเจ็ดวันเน่าอยู่ในโรงแต่เขาจัดดอกไม้สักสวยเลยไวบ้บนบนโรงหน้าโรงอ่ะฉีดน้ําหอมที่ดอกไม้แต่แท้จริงอ่ะเปิดลงเข้าไปข้างในโรงเน่าเหม็นมากเลยเหมือนกันในร่างกายเนี่ยอาบน้ำชำาราร่างกายได้กลิ่นหอมเขียนคิ้วตาปากอย่างสดสวยแต่เวลาเจาะรูออกมาในผิวหนังเนี่ยทุกรูไหลออกมาเนี่ย เจาะรูตาก็มีขี้ตาไหลออกมาเจาะรูปากก็มีขี้ฟันไหลออกมาเรารักเขามากรุมหลงเขามากเพราะเรากินข้าวอยู่กินกระต้มอยู่เราก็นึกน้องพี่นานเนี่ยเจาะรูตาหนังหุ้มขี้เป็นเดียวมันถุงหนังนะ่ะหุ้มขี้แผ่นเดียวเจาะรูตาก็ขี้ตาไหลออกมาขี้ตาเขาเอามาใส่ก้าต้มเราตอนเช้ า, เากินไม่ลงนะเจาะรูปากก็ขี้ฟันเอาขี้ฟันนะไม่ได้บ้วนปาก เอามาใส่กระต้มเราตอนเช้าที่เรกินเดี๋ยวคุกินไม่ลงเจาะรูหูก็ขี้หูไหลออกมาเจาะรูจมูกก็ขี้มูกไหลออกมาเจาะรูเหงื่อเจาะรูคุ้มขนก็ขี้เหงือกไหลออกมาเจาะรูเจาะูตามศีรษาก็ขี้หลังแคยไหลออกมาเจาะรูทวารหนักทวารเบายิ่งเหม็นมากที่สุดเลยขี้ไหลออกมาเจาะทุกรูที่ออกมาจากหนังเย่ยจะได้เจาะเข้าไปเลย เจาะรูไหนออกมามีแต่เหม็นเนา่าทุกรูเลยเหม็นเนา่าเหม็นเรากินกระต้มอยู่เอามาใส่ในกระต้มเรากินไม่ลงหลักเขามากรุ่มหลงเขามากไปนึกน้อมบินนายอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆความลงยึดมาถือมั่นในร่างกายตัวเราและร่างกายคนอื่นน้อมเปรียบเทียบของเขากับของเราก็เหมือนกันตอนเช้าไปนั่งถ่ายอุจจาระเพราว่าเราก็นึกน้อมทีนนาตอนมันไหลออกมาของเราเหม็นขนาดนี้ของเขาก็เหม็นเหมือ น, นกัน ไม่ได้แตกต่างกันนึกน้อมอย่างเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำใจที่มันลุ่มหลงว่าสวยว่างามมันก็ค่อยจางคลายไปจางคลายแล้วก็สิ้ความหลงหยึดมั่นถือมัน่นนี่ก็เรียกว่าอสุภกรรมฐานข้อสามแล้ข้อสี่พี่นายเห็นเป็นมรณานุสติคือความตายว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่มีความเสื่อมเป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปนอนไอซีูกันส่วนใหญ่ก็ไปจบที่ไอซียทุกทรามานต้องเจาะนอนเจาะนีแ่แก่แล้วก็หนังแล้วก็เยียวย่นหลังงองุม้มร่างกายก็เริ่มหมดแรงตาก็ะฟาบฟางหูก็ตึงเสร็จแล้วก็ล้มหายตายจากลงตายลงท่าแตกขันดับตายลงตายแล้วก็เน่าเน่าอืดอืดเขียวเน่าไปหมดอ่พะพอจัดงานศพเจ็ดวันเหม็นไปหมดเลยอึไปหมดอ่ะ ตาเคยได้รับไปงานสวดศพหลับนิมนต์ไปงานสวดศพพอดีเราพรรษาน้อยสุดก็เลยนั่งท้ายแถวท้ายแถวนี่มันพอดีนั่งตรงกับลงศพพอดีเลยไปใกล้โรงศพโอ้โหเขาศพนี่ไม่ทราบมันทำยังไงน้ําเหลืองมันไหลปนออกมาจากกับฟอร์มาลีนเนี่ยในผ้าขาวที่รองศพอ่ะมีแต่น้ําเหลืองมีแต่น้ําเหลืองกับน้ํายาฟอร์มาลีนมาไหลปนกันออกมาโอ้โหเหม็นมากเลยพอาจารย์ที่นั่งติดกับเราเป็นลม เราก็เอายาหาเปิดย่ามเอายาดมให้ท่านเราก็ออืที่สุดจะเป็นลมเหมือนกันน่ะน้ำเหลืองที่มันเหม็นเน่าผสมกับฟุตมอรีอกลิ่นมันแสบจมูกแสบตาไปหมดเลยแล้วเหม็อนอึบเลยโอ้คนตายนี่มันสุดๆเหม็นจริงๆเหม็นเน่าจริงๆเลยแล้วไปเปิดโลงศพดูแล้วหูปาก็อือจนกระต้องปากถลนตาถลนแล้วก็ตำรีอุจจมูกไว้กันน้ําเหลืองไหลออกมาเต็ม มันเน่าไปหมดแล้วแล้วก็ต้องไปตู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนตายแล้วก็ไปฝังดินไปเผาก็กลายมาจากดินกลายเป็นดินไปหมดสลายกลายเป็นดินน้ำลงไปหาตัวตนไม่เจอไม่มีตัวไม่มีตนเกิดก็เพื่อตายไม่มีใครหนีจากความตายไปได้ชลาที่ทำโมหิตลาทิงหน้าตีโตเราทุกคนต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจจะร่วงพ้นความแก่ไปได้ พยาธิธรมโมมหิพย า, า, าธิอนาติโตเราทุกคนต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่อาจจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้มรณะธรมโมมหิมรดังอนาติโตเราทุกคนต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจจะล่วงพ้นความตายไปได้ไอ้ตลอดสองเวศในความเกิดความตายตอนเกิดมา เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายลุ่มหลงเนี่ยยังมีความลุ่มหลงอยู่อย่างเนี้ยลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกในร่างต่างๆตลอดไปเกิดมาระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็มีมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ต้องหาอยู่หากินทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะความพัดพลาดจากสิ่งที่รักคนที่รักเป็นทุกข์ในโลกทุกข์เพราะความประสบกับความไม่สมหวังไม่สมปรารถนา ทุกข์เพราะความไม่ได้อย่างใจทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายมีความทุกข์ควาไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาประสบกับอินฟ้าอากาศที่มันแปรปวนประสบกับอาหารไม่ถูกปากประสบกับดินฟ้าอากาศที่ไม่ถูกกับสังขารที่อยู่ที่อาศัยอะไรต่างๆมันก็แปรปวนไปตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยมีความทุกข์จนกว่าจะถึงแก่ความตายไป เนี่ยเกิดมาก็ทุกจนตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ในร่างต่างๆให้เป็นทุกข์อีกกองกระดูกเท่ากับภูเขาเรากาน้ําตากระเนืองนองไปหมดดุดน้ำทะเลท้อมหาสมุทรเราสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ปลว่าในแผ่นดินที่เรานั่งบปเนี่ยจะไม่มีเลยท่องที่ใดที่ไม่เป็นที่เกิดตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายกองกระดูกเราก็เท่าภูเขาเรากาแลให้สรบจองเวทในความต้องเวียนว่ายตายเกิดในความต้องเกิดอีก พอความปัถนาความเกิดอีกเกิดอีกเนี่ยจึงได้เกิดอีกเลยไปไม่มีที่จบสิ้นพอความติดอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นติดอยู่ในความรักความห่วงใยเนี่ยเนีจึงต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไปหาที่จบสิ้นไม่ได้หาจุดจบของความทุกข์ไม่ได้เลยเพราะว่าความยึดความรุ่มหลงซึ่งกันและกันความยึดความรุ่มหลงในร่างกายสังขารร่างกายของตัวเราและคนอื่นนี่นีจึงทําให้ตัดทุกชีวิตมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ ชีวิตไม่น่าเกิดเลยเกิดอีกก็ทุกอีกเกิดอีกก็ทุกอี ก, ก, อกไม่เกิดนแน่ไม่ทุกอชัดเจนไหมไหนไม่ชัดเจนก็ทาบเอาค่ะหลวงตาแต่ทีนี้ในระหว่างการปฏิบัตินะคะเราควรจะมีข้อควรระวังยังไรบ้างเพื่อไม่ให้หลงไปอะคะ่ะเหมือนกับที่หลวงตาบอกว่าไปพิจารณาให้คนอื่นตายแล้วเพอ้อไปอะคะ่ะ อ๋อไม่พิจารณาผิดก็คือว่าแทนที่พี่าเห็นตัวเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเน่าเปื่อยผุพังไปหมดก็ไม่ไม่อยากพิีรณาตัวเองไม่กล้าพิจารณาตัวเองไม่อยากเห็นภาพที่เน่าเปื่อยผุพังก็น้อมแต่คนอื่นตายแล้วตัวเองก็ไม่น้อมย่อมไม่ยอมน้อมตัวเองน้อมแต่คนที่เรารักจะต้องตายจากพ่อแม่พี่น้องก็ต้องตายจากน้อมไปน้อมไปกับเลยแต่เนี้ยวิปปัลาน เห็นกูเดินตายหมดตัวเองอยู่คนเดียวในโลกไม่รู้จะอยู่ยังไงก็ร้องโหม่ร้องไห้วิปลาสได้เหมือนกันก็ต้องไปแก้มาก็มีอยู่หลายคนอีกพวกหนึ่งก็พอนึกน้อมถึงความตายก็บีบความรู้สึกเลยบีบความรู้สึกให้เศร้าสลดปดหู่น้ําตาไหลเราจะต้องตายแล้วเราจะต้องตายแล้วพอเริ่มพิจารณาความจริงยังไม่เกิดแก่ใจน้อมพิจารณาบีบความรู้สึกให้มันสลดปวดหู่จางเวลน้ําตาไหลไปแต่นี่ก ซึมเศร้าแลนะ้วอันนี้ก็วิตกลาดมันจะต้องเห็นแต่ความจริงความจริงความจริงไม่ให้หลงอารมณ์หลงไปซึมเศร้าหลงไปร้องห่มร้องไห้ภูมิไฟหลงไปจนกทั่งจิตใจมันสลดหดหูเหี่ยวแห้งท้อแท้เบื่อเบื่ อ, อโลกอันนี้ยอันนี้มันก็หลงหลงอารมณ์อันนี้เรียกว่าหลงอารมณ์ ต้องให้พินาแต่ความจริงความจริงซ้ำซ้ำซ้ ำ, ซำพินาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีพินาร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนุน ซ, ซ้ำซ้ำซ้ำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยมันก็จะปรงไปวางไปเลื่อนไปวางไปเองแต่จะห้ามไปจับอารมณ์เลยขาดเลยแล้วอย่างในสมัยพุทธกาลที่เขียนไว้ในพระใจปิฎกอะค่ะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการพิจารณาอสุภะให้แกพพ่พระภิกษุ แล้วพอพระภิกษุนำไปพิจารณาแล้วเกิดอาการเกียดกายพากันฆ่าตัวตายมันก็คือความหลงใช่ไหมคะอืมก็คือความหลงไปอะพาทั้งหลายไปก็ไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแล้วแต่ใจอ่ะมันก็ไม่เข้าใจผิดมันต้องฆ่าให้ตายก่อนตายตายอยู่ในความรู้สึกแต่ไปฆ่าตัวตายจริงจกัก็ไม่โปร่งปล่อยวางพาก็เข้าใจผิดและไปฆ่าตัวตายซะเยอะ แล้วการพิจารณาที่หลวงตาบอกว่าให้น้อมเข้ามาในตัวไม่ใช่เพ่งออกไปข้างหน้าค่ะมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่ได้น้อมเข้ามาในตัวแต่ว่าเป็นเหมือนเพ่งเข้ามาในตัวอันนั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเหมือนกับแบบเพ่งเข้ามาแล้วเอาไฟมาเผามันเลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่พิจารณาผิดก็คือว่าสร้างความรู้สึกเหมือนตัวเราเนี่ยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไว้ข้างหน้าเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปมองตัวเราอยู่ข้างหลัง คือเป็นเหมือนกระสินเนี่ยทาเหมือนกสินให้สร้างความรู้สึกว่าตัวเราตายไปยังไงแต่เอาตัวเราไปไว้ข้างในความรู้สึกว่าอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ผู้ดูผู้รู้อยู่ข้างหลังตัวเราผู้ดูผู้รู้อยู่ข้างหลังแล้วก็เพลงเห็นตัวเราเน่าข้างหน้าเพลงยังไงมันก็ไม่โปรงปล่อยวางเพราะว่าไอ้ตัวเราไปอยู่ข้างหลังไอ้ผัวเน่าอยู่ข้างหน้าอย่างงี้ก็เรียกว่าทำแบบกสินลึกสีไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้า เขาเจ้าคือต้องมาน้อมที่ตัวเราจริงๆนี่เลยว่าเราต้องมีความแก่แก่แล้วจะมีสภาพเป็นยังไงมีความเจ็บแล ะ, ะมีเจ็บแล้วไม่จะมีสภาพเป็นยังไงป่วยหนักมีสภาพเป็นยังไงทุกทรมานมีสภาพเป็นยังไงตายแล้วมีสภาพเป็นยังไงก็ น, น้อมที่ตัวเรานี่เลยไม่ใช่ว่าสร้างความรู้สึกมีตัวเราอยู่ไว้ในใจเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่โปรยปล่อยวางนั่นก็เรียกว่าเพ่งกสิน เป็นกระสีหรือสีทำแบบกระสิหรือสีไม่โปงไปหวานได้อย่างเงี้ยมันต้องมาน้อมที่ตัวเราไปพิจารณาผิดน้อมผิดก็คือเอาไฟเอาอยู่ๆก็ตัวเราเนี่ยแล้วก็สร้างความรู้สึกเอาไฟเอาเผาตัวเรามันก็ร้อนไปหมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันำทำผิดมันต้องน้อมน้อมให้เราแก่เจ็บตายเน่าเปื่อยผุพังมีสภาพเป็นไงจนกระทั่งเราตายแล้วมีสภาพเป็นไงเสร็จแล้วก็ไปใส่ต า, ตาเผา คือต้องน้อมให้เราตายก่อนหน้าปเป่อยผูกพางไปค่อยๆน้อมไปเรื่อยๆค่อยเรื่อยๆไม่ใช่ไปใจเร็วด่วนได้ปุ๊บทําให้เราเอาไฟมาเพ่งเผาใส่เราเลย่องที่เป็นๆอย่างนี้มันก็ร้อนตายทำผิดก็คือพิจารณาเห็นความจริงตามลาดับว่าชีวิตมันเกิดดับยังไงก็ไปตามขั้นตอนของมันถูกต้องค่ะพอมันลงแก่ใจทุกอย่างมันก็ปล่อยวางกายแล้วมันก็มันจะมียังมีเหลือจิตอยู่ไหมคะหลวงตาหรือว่ามันก็ไปพร้อมกันเลย ก็ใจมันก็ น, น้อมเขา น, น้อมถึงความตัเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีแต่ความทุกข์เกิดมามีแต่ความทุกข์มีความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ตายแล้วก็ผุพังสลายเน่เปื่อยผุพังสลายไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมาจากความว่างเปล่ากับกืนสู่ความว่างเปล่าหาตัวตนไม่มีไม่เหลือตัวเหลือตน ก็นึกน้อมอย่างเงี้ยกลับมานึกน้อมใหม่อย่างเงี้ยซ้ํา้ำซๆำซยต่อเนื่องไม่ขาดสายใจมัน ค, ค่อยๆเข้าถึงความจริงความจริงความจริงความจริงจะมันทนกับความจริงไม่ไหวมันก็พองป่อยวางหมดสิน้นโลกกระแมันก็ระเบิดโลกกระแจากข้างในไปสู่โลกกระแทกข้างนอกหลวงตาเข้าใจว่ามันระเบิดไอแรงดึงดูดเนี่ยโลกเนี่ยของเราเนี่ย เวลาเราโยนของไปในอากาศเนี่ยมันก็จะต้องดูดตกมาที่พื้นโยนยังไงก็ดูดตกมาที่พื้นเวลาเขาจะเอาจรวดเอากระสวยอาวากาศออกไปนอกนอกนอกชั้นบรรยากาศไปสู่อาวากาศเนี่ยของบินผ่านชั้นอาวากาศเนี่ยชั้นอากาศเนี่ยที่ปกคุมผิวโลกเนี่ยมันจะแรมีแรงดึงดูดของโลกเวลาพออะไรก็ตามที่มันล่วงลงมาจะมาชนพื้นพื้นมันลุกไหม้หมดมันมีความหนาแน่นของมวลอากาศ ลูกไม้หมดมันจะต้องหลุดออกไปสู่อาวากาศสักก่อนมันจึงไม่มีมวลของอากาศเลยอันนั้นนะคือความว่างแท้จริงแต่ที่จะหลุดจากแรงดึงดูดของโลกไปได้เนี่ยพอเวลาเขาเอากระสวยอาวากาศติดจรวดไปเนี่ยจรวดมันต้องถักใช้ถังเชื้อเพลิงเนี่ยระเบิดตัวระเบิดบึ้มแล้วก็กระสวยอาวากาศกา็เด่นหลุดออกจากชั้นไแรงดึงดูดของโลกไปสู่อาวากาศมันจะระเบิดเ ป, เป็นท่อนๆแล้วก็อันไหนมันใช้ถังแนละ้วเชื้อเพลิงเสร็จแล้วก็ตกมา ถังสุดท้ายจะใหญ่นะ่นะระเบิดดันใช้ระเบิดแรงขับดันเนี่ยยิงกระสวยอวกาศให้หลุกออกจากแรงดึงดึ ง, ดงของโลกไปสู่ชั้นอวกาศแล้วไอไอถัทงที่ใหญ่อะถังใหญ่ที่มันเป็นอวอร์ลัดจริจุดไปโหมันจะมันจดุดมันจะเป็นลําใหญ่มากเลยลเนั่นแหละคือถังเชื้อเพลิง น, ะะนั้นแหละแล้วก็พอมันปล่อยถังเชื้อเพลิงอสุดท้ายล่วงมาในชั้นบรรยากาศก็จะเกิดไฟลุกไหม้มามตกไปถึงโลกแล้ว ก็ไปสู่อาวากาศแต่เนี่ยเราเกิดเวียนตายเป็นเกิดอยู่ในโลกของสมคือการ ม, มาโลกรูปมาโลกอรูปมาโลกการ ม, มาโล ก, โลกพวกที่เกิดมาแล้วจะต้องเสพกรรมการ ม, ม, มาโลกพวกที่ต้องเสพกามอยู่เสพพวกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสพสีเนี่ยพวกที่เสพการมพวกนี้ก็ไปเกิดในภพการมมาโลกพวกสัตว์เดรัจฉานพวกมนุษย์ทั้งหลายพวกผีพวกเปรตในพไตรปิกไม่มีผีมีแต่เปรตเปรตทั้งหมดเรียวกว่าเปรตอสุรกายพวกสัตว์นรกพวกนี้ในภพที่ต้องเสพกาม แล้วรวมทั้งเทวโลกอีกหกชั้นก็เป็นพวกที่ต้องก็ยังเสพกามอยูเรรเย่เสพกามทั้งตาหูจมูกวิ้นกายแต่พอรูปรโลกรูปรโลกก็คือพวกเสพเสพพวกรูปประชานเสพปิติสุขอเุเบกขาเสพรูปประชานก็คือว่าต้องเข้าฌานอยู่ตลอดถ้าวันไหนไม่เข้าฌานเหมือนคนไม่ได้กินอาหารนั่นเดี๋ยวก็ตายมีฌานเป็นอาหารพวกรูปประชานรูปพรลมเรียกว่ารูปรรประพรลม อาลุบพ ร, ปปรมก็คือเสพอาลปบะชาญเออก็ต้องเสพคือกินกินชาญกินอาลปบะชาญเป็นอาหารเหมือนเรากินกินข้าวกินน้ำถ้าไม่ไม่กินข้าวกินน้ําเดี๋ยวก็ตายเราต้องเห็ยนว่าตายเกิดในโลกทั้งสามโลกทั้งสามเนี่ยมันมีแรงดึงดูดดองตาเข้าใจว่ายงี้นะเปรียบเหมือนมีแรงดึงดูดที่จะต้องดูดเอาสสารทั้งหลายให้เวียนตายเวีนเกิดเข้าไปเกิดอยู่ในโลกทั้งสามไม่อาจาจะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกทั้งสามได้เวลาคนที่มันพิจารณาร่างกาย กิจมันปร่งปวางโปร่งปล่องวางจนสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเองก็จะสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคนอื่นด้วยเพราะมันเห็นว่าเป็นอย่างเดียวกันจากที่มันโปร่งปวางปร่งปล่วางจนมสิ้นความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเท่ากับมรณะสักยะทีท่ิในสังโยชน์เบื้องแรกได้แล้วก็บรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันเนี่ยไปเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติก็บรรลุอรหันต์แต่ถ้าเป็นโสดาบบานประเภทพิเศษก็อาจจะไปเกิดชาติเดียวก็บรรลุอรหันต์เลย ดังนั้นเนี่ยแรงดึงดูดของโลกทั้งสามเนี่ยที่จะดูดไปเวียนว่ายใจเกิดอีกเป็นแสนแสนกับเนี่ยมันหมดอำนาจไปแล้วคือแรงดึงดูดนั้นไม่สามารถดูดได้เป็นอีกแสนแสนกับไปเกิดอีกไม่เกินเจดครั้งมรรลุอรหันแล้วเกิดได้แค่สวรรค์กับมนุษย์แค่นั้นเนี่ไปเกิดในชั้นอาวัยภูไม่ได้ไมเป็นสัตว์ได้ฌานเป็นอาถุรกายสัตว์นรกไม่ได้ดงนั้นมันก็เลยระเบิดแรงดึงดูดเนี่ยออกไปซะกี่ส่วนถ้าพูดถึงหนึ่งในสี่ส่วน แรงดึงดูดของโลกมั้งสามแรงเขาเป็นสี่ส่วนโดนระเบิดทิ้งไปหนึ่งส่วนเลยสามส่วนพออีกสามส่วนก็คือปล่อยวางกายหมดแล้วร่างกายไม่มีตัวตนเลยหายตัวไปเลยในความรู้สึกเหมือนร่างกายหายตัวไปเลยน้ําหนักก็ไม่มีจะเดินไปทํางานไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกแล้วมันไม่ชินกับสภาพนี้ต้องคอยจับแขนจับขาตัวเองเนี่ยทาไมร่างกายมันหายไปไหนวะตัวตัวมันหายไปไหนเนี่ยแต่จับที่ไรก็มีแต่ในความรู้สึกไม่มีตัวอยู่นเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเหมือนเป็นอากาศ มันเหมือนกับเป็นอากาศเลยเหมือนกับเป็นความว่างแล้วก็ไม่มีน้ําหนักมันเดินเหมือนขึ้นไปยืนบนยอดหญ้าก็ไม่ยับเดินไปเหมือนอยากจะขึ้นไปบนมันลอยขึ้นไปบนยอดไม้ต้นนี้แล้วก็ลอยเหาะไปเป็นสิบสิบกิโลไปยอดอื่นต่อไปมันไม่อยากเดินบนพื้นแต่ค้านไปชั่งกิโลเข้ามันก็หนักเท่าเดิมแต่พอออกจากกิโลมาเอ๊ะทาไมไม่มีน้ําหนักไม่ชินอยู่อย่างนั้นเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยตอนนี้มันก็เลยมีแต่ความว่างเปล่าเดินไปมีแต่เป็นแต่ความว่างเปล่าตอนเนี้มันก็เลยเห็นจิต เนี่ยมันเกิดดับเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าไม่เห็นจิตมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ละขณะจิตเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่ามันอยู่ในตัวเราแต่จิตเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ละครั้งก็สว่างว่าบขึ้นมาแล้วก็ดับไปในความว่างเปล่าสว่างว่างแล้วดับไปในความว่างเปล่าหรือเหมือนอย่างฟ้าแลบเลยฟ้าแลบทิ่แลบขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปในความว่างเปล่าในท้องฟ้าที่ว่างเปล่า สว่างว่าขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปในความว่างเปล่าหรือเหมือนอย่างไอ้ตอมน้ําเนี่ยตอมน้ําที่มันเกิดขึ้นเวลาพอฝนตกมากระทบกับพื้นน้ําา้งล่างแล้วก็ตอมน้ําก็มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปเกิดขึ้นแล้วดับหายไปอ้าวจิตก็เกิดดับหรืเกิดดับเหมือนกันเนี่ยจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็ปล่อยวางความหลงจิตบ้านจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราตัวตนของเราเดิมมันปล่อยวางกาย ว่าสิ้นมั่นถือมั่นว่ากลายเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราพอถึงจิตอีกมันก็เห็นจิตไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับในความว่างเปล่าเอาจิตก็ไม่มีตัวตนจิตไม่มีตัวตนจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราปล่อยวางจิตเหมันก็ระเบิดโลกธาตุแต่ระเบิดครั้งนี้ระเบิดสี่ส่วนเลยระเบิดสี่ส่วนในครั้งที่สองที่สามเพียงแค่เบาบางคือมันรู้แล้วว่าไอ้แรงหึงดูลเนี่ยบางมากเลยที่จะไปเกิดในโลกของสามเนี่ยบางลงไปมากนะ้วเขาเรียกว่า ราคะโทสะโมหนะเนี่ยกิเลสทั้งสามเนี่มันเริ่มเบาบางไปมากบางลงไปบางลงไปก็คือไอแรงดึงดูดที่จะไปเกิดในโลกสาก็คือกิเลสทั้งนั้นไงเพราะกิเลสนี่เนี่ยมันทำให้ไปเกิดเรารู้ละพอพิจารณาไปพิจารณาไปน่ยมันด้วยการยืดถึงยืดบ้าในกายตนแล้วเนี่ยกิเลสนก็เบาบางไปแล้วพอกิเลสมันเบาบางไปเบาบางลงไปเบาบางไปเรื่อยๆตอนนี้ก็บรรลุโสดาบานันไอบรรลุาบรรพ陀ดานบันไปแล้วก็บรรลุสกิทาคารมีอนาคามีพอถึงอนาคามีเนี่ยการปัญหาราคาดับสนิทดับสนิทตอนนี้ก็ระเบิดอีกที ระเบิดระเบิดสว่างสวัยเหมือนโลกธาตุเนี่ยแสงทองพุ่งขึ้นสู่จักรวาลหมดเลยทุกปรมมณูในในโลกธาตุนี่ไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ําเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นอากาศมวลปรัมาณูของอากาศทั้งหมดเนี่ยเป็นแสงทองคําพุ่งขึ้นสู่จักรวาลตอนปล่อยวานจิตเนี่ยปล่อยวานจิตอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นแสงทองคําพุ่งขึ้นทั้งจักรวาลโลกธาตุจนกระทั่งสว่างสวัยหมดแล้วก็ แสงทองคํานั้นก็ดับหายไปนี่ก็บรรลุอนาคามีอันนี้ไอ้พวกอารมณ์กรรมต่างๆก็ดับขาดการมราคาก็าดับขาดท่านว่าเหมือนกับอารมณ์กรรมมาราคาเหมือนกับว่าเอาไม้สดมาแช่น้ำร้อยปีแล้วสีกันในน้ำจะไม่เกิดไฟชั้นใดพวกอนาคามีคือกามอารมณ์กรมาราคะดับสนิทไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่มีราคากันเบิอเลยมันก็เหลือแต่พวกละเอียดละอดพวกจิตละเอียดกกละเอียด แล้วมันค่อยๆวางไอ้ส่วนท in AH ี่จิตละเอียดมานะพวกทิพวกมานะกุฏจักรพุงสร้างพุ่งสร้างเป็นในการที่ว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่ได้พุงสร้างมันชาวโลกอันนี้นะมันเป็นเรื่องของไอ้พวกละเอียดละเอียดละคือไอ้ความปรุงอะเราเราเราเราปรุงเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเนี่ยเนี่ยเรื่องเรื่จิตละเอียดเรื่องนิพพานเรื่องกิเลสได้กิเลสมันสิ้นหมดแล้วเว้ยไม่มีกิเลสแล้วเว้ยทาไมไม่มีกิเลสแต่มาทําไมไม่รู้นิพพานปรุงอะไรชุดจิกิกิก็เป็นพวกมานะ ยังถือตัวถือ ต, วตวนว่าเราเนี่ยเก่งกว่าเรามีความรู้เหนือกว่าพวกนี้กลุ่มนี้เราเก่งกว่าเรามีความรู้ต่ากว่าพวกนี้พวกนี้เรากับพวกเนี้มีความรู้เรามีความเก่งเสมอการคือยังมีการเปรียบเทียบอย่างเนี้ยยังไม่ไม่บรรลุแต่ถึงกับนาคาแต่ยังจากยังไม่รู้อหรหันยังมีการเปรียบเทียบแต่ตัวนี้แต่มันเลยทําให้เกิดเป็นมาณะที่ตีเปรียบเทียบนะอุตจจะยังมีความฟุ้งอยู่ในในความตึกเรื่องเนี้ มีเหนือกว่าสูงกว่าดีกว่ายังจะมีตัวตนอยู่ก็รู้สึกตัวตนยัมีอยู่ในใจยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็น ต, ตนอยู่แล้วก็อวิชาอาวิชามันไม่ดับนะสดท้านยังไม่ดับควรู้สึกเป็นตัวเป็น ต, ตนยังมีอยู่แต่มันเป็นความปรุงแต่งเล็กๆเล็กๆเรื่อง ก, ก, ก, การเปรียบเทียบถ้ายกตัวอย่างว่าขนาดเคยทะเลาะเบาแวงกันมาเมื่อสิบปีที่แล้วต่อมาบรรลุอนาคามีแต่ยังไม่บรรลุอรหันต์ที่ท่านถึงบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ย องค์ที่เปยังไม่รู้อหรหันต์แต่รู้อนาคามีมาเจอกันนิมนต์มาในงานเดียวกันแล้วก็มาเจอกันเคยแต่ว่ากันเมื่อสิบปีที่แล้วองค์ที่บรู้อนนาคามีเนี่ยก็ก็กับอหรหันต์ก็ทักทายกันตามปกติผมมาเจอในงานเดียวกันนับนต์มาในงานเดียวกันแต่ผู้ที่เป็นอนนาคามียังมีความรู้สึกเคอะเขินในใจว่าเมื่อสมัยสิบปีที่แล้วยังเคยเราไม่ถูกกันก็นึกถึงไอ้ความเคอะเขินที่เคยไม่ถูกกันมาเมื่อสิบปีที่แล้วอันนี้จะเป็นอนนาคามีแต่อรหันต์ไม่มีแล้ ความรู้สึกไอ้พวกเราเนี้ปรุงแต่งความที่หลงไปเป็นตัวปุงแต่งไม่มีแล้วไงถ้าสิ้นความหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งเอาความปุงแต่งเป็นตัวเราแล้วคนเข้าไปสู่ใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วถ้าเป็นทหารแล้วไม่ไม่หลงไปเป็นคนปรุงแต่งคือท่านไม่เป็นหลงไม่คนปรุงแต่งแต่แต่เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ไม่หลงเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วมันก็เลยไม่มีไล่ไอ้ความรู้สึกว่าเราโกรธกันนะเราเคยโกรธกันเราสูงกว่าเธอเธอสูงกว่าเราเราเสมอกันความรู้เราเสมอกันเราเก่งกว่าคุณเก่งกว่ามันไม่ปรุงแล้วเพราะว่า อราหาันมันพ้นไปเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วมันไม่หลงเอาความปรุงแต่งไปตัวเราไม่หลงเอาตัวเราไปผู้ปรุงแต่งไปเป็นใจอะที่ไม่ปรุงแต่งมันก็เลยเป็นอราหันไปพอเวลา pues, มันก็ระเบิดโลกกระแทกทีทตัวเนี้ยระเบิดทิ้งหมดเลยสามโลกคือระเบิดแรงดึงดูดแล้วมันจะเป็นระเบิดโลกก็ทิ้งระเบิดเลยแรงดึงดูดที่จะดูไปเกิดในโลกทั้งสามอีกก็ขาดกระเด็นไม่มีที่รองรับหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลที่ว่างเปล่าหายไปเลยหายตัวไปหายตัวไปเลยแต่จิตเดิมแท้เนี่ยหายตัวไป นหนึ่งเดียวกับความบ้างธรมชาติจักรวาลแต่เนี่ยลุงตาว่าไม่ได้หายศูนย์นะไม่ได้หายศูนย์ไม่ได้แบบจิตเดียวแ้ของพุทธเจ้าพระรามทั้งหลายไม่ได้ไม่ได้หายสับทศูนย์ไปเลยไม่ใช่คือหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับความบ้างจักรวาลไม่หายตัวไปเลยเรียกว่าแบบหายตัวหายตัวไปแต่ถ้าเกิดถึงข่าวที่ผู้ใดเนี่ยสมควรที่จะถึงเวลาเกื้อกูลทําไปตรงกันเนี่ยกับพระุทธเจ้าทพระองค์พระรามแต่ละองค์ที่เคยเกื้อกูลกันม า, มาเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมาก่อน หรือเราเคยทำบ hm ุญกุศลกับพุทธเจ้าองค์ใดมาก่อนหรือพระอรหันต์องค์ใดมาก่อนถึงเวลาที่ท่านจะเกื้อกูลพวกท่านจะสมมุติมาแต่ตอนหายตัวนี้หายไปเลยแต่ตอนจะมาก็สมมติมาุแล้วแต่พระจะสมมติเป็นอะไรรูปร่างอะไรก็ได <ices> ้เพราะว่ามันมาเป็นสมมติเนีสมมติเป็นรูปร่างอะไรก็ได้มาพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้ารูปร่างแบบนั้นรูปร่างแบบนี้นั่นที่พุทธเจ้ารูปร่างที่สมมติมาไม่ได้เป็นพุทธเจ้าตัวจริงนะคือสมมุติมาแล้วแต่ว่าท่านจะสมมติมารูปร่างเป็นอะไรพระอรหันต์แต่เราก็สมมติมาได้ มาแล้วก็สอนธทำแล้วแต่ว่าจะสอนทำอะไรตรงกับเราหรือท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็นลูกศิษย์เรามาก่อนสมัยพุทธเจ้าองค์นี้องค์นั้นจงปฏิบัติให้ดีเจ้าจะบรรลุไปได้ในชาตินี้อย่างเนี้ยแล้วท่านก็หายตัวไปก็มีกําลังใจบอกว่าท่านเคยเป็นลูกศิษย์เรามาก่อนนะเรารู้ว่าเจ้ากําลังเล่นความเพียรอยู่เจ้าใกล้จะบรรลุแล้วขอเอาให้จริงแล้วก็จะบรรลุได้แล้วท่านก็หายไปก็คือมาปรากฏได้แล้วก็หายตัวไปได้นะ มาเนี่ไม่ได้ว่าตัวจริงมานะคือตัวจริงไม่มีแล้วมาแต่สมมติแล้วมันมีอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้เจอแบบนี้แต่เหมือนเป็นนิมิต ท, ที่หลงไปโอ้อย่างเป็นบ้าเยอะเลยไอ <c oughs> ้<ห>พวกพที่มาหลงนิมิตไปแล้วก็พอฟังฟังๆก็แบบนี้นะจิตมันสร้างว่าพุทธเจ้ามาเรียกแล้วมาอหารหันต์แล้วปูม่มานเขเลี้ยงโตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่มาบอกว่าท่านกับเราเนี่ยเสมอกันแล้วตามเราไปอย่ามานุ่มมัวนั่งปฏิบัติอยู่แล้วก็ไปเชือดเลยแบบนี้ ลูกวิ่งตามไปเดินตามไปเป็นบ้ามาหลายคนแล้วเยอะมากเลยเนี่ยอันตรายมากเลยเพราะว่าเราพูดเพื่อตกายเห็นว่าไม่ได้หายศูนย์ไม่ได้สับศูนย์แต่ก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเพื่อหายตัวไปนี่คนบ้าแบบนี้เหมือนกั น, นไปสร้างนิมิตเออมันคิดไปเองมันมีแบบนี้เหมือนกันเราไว้ไอ้เจ้านั่นทําไมมันไม่มาหาเราเลยวะเราก็สงสัยแล้วบอยไปเรียกไปตามมามันก็ไม่มาเราไปตามมามันเดี๋ยมันบ้ า, บาคือเราก็เล่ากันให้พวกลูกศิษย์สนิทเนี้ยฟัง ว่ามีท่านใดจะมาหาเราเนี่ยได้รับความรู้จากท่านแต่ลองคแต่ลอง์แต่เราไม่หลงไงเราไม่เราไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเราต้องพิสูจน์ว่าเราทําได้ตามคำสอนท่านจนเราทําเองได้แต่เราไม่ได้เชื่อจริงๆเราก็พิสูจน์เราก็ปฏิบัติแเราก็เลาเพื่อลูกศิษย์เราเนี่ยมันมีคนบ้าแบบนี้เมั้งเนี่ยโล่มากมันไม่เอาแล้วมันไปจุดทูบเรียกอาจารย์เรามาสอนแล้วมันไม่ยอมมาเรียนกับเราเพี้ยนไปเลยเนี่ยเราไปเรียกมันก็ไม่มาเขาไปตามมันก็ไม่มามันบอกว่าเรื่องอะไรมาเรียนกับลูกศิษย์ไปเรียนกับอาจารย์ดีีกว่าเยน นี่ไอ้โพดีจะเป็นบ้ามันพร้อมทจะเป็นบ้าคือมันโลภมากมันปรุงแต่งเอาความจริงไอ้ใจมันอยากให้เป็นเร็วๆมันเลยเป็นบ้าถ้างั้นถ้ามันเกิดนิดๆอะไรขึ้นนี่ก็ก็ต้องน้อมมาพิจารณาให้เห็นว่ามันจริงแบบนั้นไหมหรือว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยใช่ไหมเออมาลองทำก่อนเทียบความมัได้จริงหรือเปล่าคือมันต้องมาปฏิบัติแล้วมันทําให้มันรู้มันเห็นมันเป็นจริงไะทําได้จริงเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงมันต้องเห็นชัดด้วยตัวเราเองเออเห็นรู้ได้โดยตัวเองว่าทําได้เว้ยเป็นจริงเว้ยอะไรเงี้ย ว่ายังไงคนอื่นบอกหรือครูบาอาจารย์บอกมันก็ไม่เท่ากับที่เราปฏิบัติเองเออมันต้องปฏิบัติเองมันต้องไม่เป็นจริงเว้ยแล้วมันจะเป็นคนเชื่ออะไรง่ายอันนั้นนะมันก็มันต้องพิสูจน์ได้แล้วทําได้เงี้นจริงไม่ใช่อยากเป็นมากจะมัต้องไปสร้างมโนภาพหลอกลวงตัวเองแลาเป็นบ้าเไย ว, ว่าเคสหลังนี่น่าจะพอสมควรนะคะหลวงตาน่าจะมีเยอ ะ, อะปรุงเอาเองเนี่ยค่ะเยอะมากเลยอยู่ๆก็ทะลุกลางป้องมา เป็นเจ้าโลกเจ้าจักรวาลแล้วแบ่งให้อาจารย์ครึ่งหนึ่งมันเอาครึ่งหนึ่ง <ใน S 3> เป็นบ้าไปแล้วบางทีก็เป็นบ้ามาเคาะฟาดกุฏิใหญ่หลวงปู่กาลังอยู่ฟาดกุฏิใหญ่อาหารหันมาแล้วยังไม่ออกมาทำความก็ลบอรหันอีกอยู่ๆเนี่ยเป็นลูกศิษย์ไปเอาไปฟาดกุฏิท่านใหญ่บอกอาหารหันมาแล้วยังไม่ออกมาเค า, ารพลูกศิษย์อีกไปกะออกมากาาราบลูกศิษย์ไมออกมากราบอรหันอีกแต่ท่าตัวเองก็เป็นลูกศิษย์นะอาจารย์ออกมาพยายามพูดช่วยไง พูดก็ไม่ฟังไม่หายบ้านพอจะไม่กราบอีกนี่อรหันต์มาเลียงไม่กราบเนี่ยท่านเลยด่าเอาละด่าเอาอรหันต์บ้าอรหันต์บอเลยด่าเอาเพราด่าก็มาโหใหญยคว้าไปเอาคว้าไม่กวาดกวาดพื้นเนี่ยแบกทําเป็นกดแบกกดสะพายบาทเดินออกจากวัดไปเดินออกไปกลางทุ่งกลางนาโน้ณเนะมโหมากไลยโดนด่าเพราะอรหันต์บ้าอรหันต์บออะไรไปไเลยไปไปไหนก็ไปมาโหม่จนบากคว้าไปกวาดเดินไปหนับหนับหนับเดน ไปต้องไกลไปกลางคู่กลางท่า น, นู่นไะรู้สึกตัวได้เอาแบกไม่ก่านมาด้วยโดนด่าโอ้โหสติเตลิดเลยอาจานยสติกลับมากลับมาขอเข้ามาท่านหลงกันเยอะๆไอ้กรณีหลงจะมี ม, มากกว่าไอ้กรณีจริง